บ้านเมืองอุ่นวายไม่สงบเพราะอะไรเพราะว่าประชาชนใจของประชาชนไม่สงบใจของประชาชนไม่สงบเพราะอะไรเพราะความโลภความโกรธความหลงความอยากที่ไม่มีขอบเขต ไม่มีประมาณปัญหาของบ้านเมืองที่ไม่สงบคือต้นเหตุของปัญหาอยู่ที่ใจของประชาชนไม่ว่าจะอยู่บ้านไหนเมืองไหนก็มีความไม่สงบมีความวุ่นวายเหมือนกันหมดเพราะใจของประชาชน มีแต่ความโลภความอยากมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลงไม่มีธรรมะก็คือความมากน้อยสันโดษถ้าใจของประชาชนมีความมากน้อยสันโดษไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองที่ไหนบ้านไหนเมืองไหน ก็จสงบจะมีสันติสุขดังนั้นการที่จะทําให้บ้านเมืองสงบทําให้บ้านเมืองมีความล่มเย็นเป็นสุขต้องทําใจของประชาชนให้มีความล่มเย็นเป็นสุขให้มีความสงบระงับจากความโลภความโกรธ ความอยากต่างๆที่มีความหลงเป็นต้นเหตุการที่จะแก้ปัญหาของความโลภของความอยากของความโกรธนั้นต้องแก้ที่ต้นเหตุของความโลภของความโกรธของความอยากก็คือความหลงความหลงคืออะไรคือ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 ไม่ได้อยู่การควบคุมบังคับของเราว่าอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราก็เลยทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาอยากได้สิ่งต่างๆที่หลงคิดว่าจะให้ความสุขกับตนแต่พอได้มาแล้วถึงจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นความสุขเพียงอย่างเดียว มันเป็นความทุกข์ด้วยเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันไม่เหมือนเดิมมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมและมีการหมดไปมันไม่อยู่ภายใต้คําสั่งคือความอยากที่จะให้มันอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงให้ความสุข ตลอดเวลานี่แหละคือสิ่งที่จะต้องมาแก้กันก็คือแก้ความหลงมาสอนให้ใจเห็นความจริงว่าสิ่งที่ใจหลงคิดว่าเป็นความสุขนั้นเป็นความทุกข์เพราะไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยวเป็นสิ่งที่ ไม่สามารถควบคุมบังคับได้อะไรล่ะที่เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่เที่ยงและไม่สามารถอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใจได้ก็คือราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่เองที่วุ่นวายกันก็วุ่นวายกับเรื่องราบยศสรรเสริญ วนวายกับความสุขทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายแก่งแย่งชิงดีกันทําสงครามฆ่าฟันกันก็เพื่อได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางต า, ง า, งางหูจมูกลิ้นกายนี่เองแลาเมื่อได้มาแล้วก็ไม่ได้ความสุขอยู่ดี พ็เมื่อได้มาแล้วก็ต้องพบกับความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของความสุขทางตาหูจมูกเกินกายอยู่ดีเราเมื่อพบความเสื่อมก็ต้องหาใหม่เมื่อหาใหม่ก็ต้องเกิดการแข่งขันกันแก่งแย่งชิงดีกันก็เกิดการโลภลาฆ่าฟันกันอีกรอบก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ บ้านเมืองในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตอันยาวนานมาจนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคตที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นก็จะมีความวุ่นวายอย่างนี้ไปเยู่เรื่อยมีความวุ่นวายสลับกับความสงบสงบแล้วก็วุ่นวายวุ่นวายแล้วก็สงบ ดงนั้นการที่เราจะไปวุ่นวายกับเขาก็จะไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายเพราะว่าความวุ่นวายมันเขามีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เขาต้องวุ่นวายกันแล้วเมื่อถึงเหนึ่งมันก็จะถึงเหตุที่มันจะสงบลงไปเองเหมือนกับ พายุฝนเวลาพายุฝนมาก็ไม่มีใครที่จะไปหยุดยั้งได้แต่พายุฝนก็ไม่ได้พัดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อ่อนกำลังลงไปแล้วก็หมดกำลังลงไปแล้วความสงบก็กลับคืนมาใหม่ แล้วอีกไม่นานก็มีพายุฝนลูกใหม่พัดมาใหม่เกิดความวุ่นวายอโรมานโกลาหนกันขึ้นมาใหม่แล้วก็สง บ, บตัวลงไปใหม่นี่คือลักษณะของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เรียกว่าอนิจจงก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆเป็นอนัตตาก็คือไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไม่สามารถที่จะให้ความสุขได้ตลอดเวลาจะต้องมีการสลับกันไปสุขบ้างทุกบ้าง อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่มีความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมมีความสุขที่สามารถอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใจได้แต่ไม่รู้กันเพราะความหลงไม่มีใครสอนหรือมีคนสอนก็ไม่มีคนสนใจที่จะศึกษากัน ถ้ามีความสนใจศึกษาค้นหาผู้รู้ความจริงของความสุขที่แท้จริงของความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปของความสุขที่สามารถควบคุม บ, คบังคับให้อยู่กับใจได้ไปตลอดก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่เอง เกิดจากการละงับความโลภความโกรธความหลงถ้าใจปราศจากความโลภความโกรธความหลงแล้วใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบเมื่อใจสงบใจก็จะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นเพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่เสื่อม เป็นความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ไม่มีความทุกข์เข้ามาผสมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นความสุขล้วนๆเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เหมือนทองคำที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นความสุขที่สามารถรักษาไว้ได้ให้อยู่กับตนได้ไปตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่ ต้องศึกษากันแล้วต้องปฏิบัติให้เข้าถึงความสุขอันนี้ให้ได้ถ้าเข้าถึงความสุขอันนี้ได้ทุกคนแล้วบ้านเมืองก็จะอยู่กันอย่างสันติสุขไปไม่มีวันไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าไม่เข้าถึงความสุขอันนี้บ้านเมืองก็จะวุ่นวายไปไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกัน วุ่นวายแล้วก็สงบสงบแล้วก็วุ่นวายใหม่วุ่นวายเพราะต้องต่อสู้กันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้ไปความสงบก็กลับมาเชั่คราวพออีกฝ่ายหนึ่งมีกำลังมากขึ้นก็กลับมาต่อสู้กันใหม่แล้วเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดกำลังแพ้ไปความสงบก็กลับมาใหม่แล้วก็ พออีกฝ่ายหนึ่งมีกำลังเพิ่มมากขึ้นก็กลับมาต่อสู้กันใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะจบไม่มีวันที่จะสิ้นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติของโลกนี้จึงไม่ไปเดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นอยู่ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นความเจริญก็ดีหรือความเสื่อมก็ดีไม่ว่าจะเป็นความสงบหรือความวุ่นวายก็ดีมันเป็นของคู่กันมันเป็นของที่มาด้วยกันผลัดกันแสดงเท่านั้นเองถ้าไปติดอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆ อาศัยเหตุการณ์ต่างๆอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขกับตนเช่นอาศัยลาบยศสรรเสริญอาศัยรูปเสียงกล็ดโลดโผฏฐะไว้ให้ความสุขกับตนก็จะต้องพบกับความเจริญและพบกับความเสื่อมของสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องสัมผัสกับความสุขเวลาที่เจริญ และสัมผัสกับความทุกข์เวลาที่เสื่อมลงไปถ้าตราบใดยังมีความผูกพันอยู่กับลาบยศสารเสริญผูกพันกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่ตราบนั้นก็ยังจะต้องพบกับความทุกข์ที่เกิดจากการเสรื่อมของลาบยศสารเสริญของความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่ เลื่อยไปไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันจบนักปราชญ์หรือผู้ฉลาดผู้ที่เห็นความเสื่อมของราบยศสารเสริญสุขจึงไม่ไปยึดติดกับราบยศสารเสริญสุขจึงเข้าหาความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เกิดจากการระงับ ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปด้วยการเจริญธรรมะที่จะมาเป็นคู่ต่อสู้หรือเครื่องมือที่จะทำลายความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปธรรมะพื้นฐานที่ควรจะมีก็คือ ความมักน้อยสันโดษถ้ามีความมักน้อยสันโดษแล้วจะสามารถควบคุมความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้อยู่ในระดับที่ไม่ไปสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้แต่ยังต้องอาศัยธรรมะอย่างอื่น เข้ามาช่วยมาเสริมมาเพื่อที่จะได้ทำลายความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแต่ในขณะที่ปฏิบัตินี้จาเป็นจะต้องถือหลักมากน้อยสันโดษไว้เป็นพื้นฐานแล้วจะทำให้การปฏิบัติเพื่อกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้ เป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วดังนั้นต้องพูดที่ปรารถนาความสงบความสุขการยิ่งใหญ่ของใจจึงจะเป็นจะต้องยึดหลักมักน้อยสันโดษความว่ามาักน้อยก็คือไม่ต้องการมากเกินไปต้องการเพียงแต่ เท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของร่างกายเท่านั้นปัจจัยสีก็พอให้อยู่ได้พอให้ไม่ตายไม่ต้องมีมากเินเกินไปไม่ต้องวิเศษดูล้าแบบที่ไม่มีเหตุไม่มีผลนี่คือความมักน้อย ความสันโดษก็แปลว่ายินดีตามมีตามเกิดถ้าไม่สามารถได้ตามความต้องการตามความจำเป็นของร่างกายได้น้อยกว่าที่ควรจะได้ก็ขอให้ทำใจให้พอใจกับสถานภาพนั้นไปก็จะสามารถควบคุมใจไม่ให้ไปก่อเรื่องวุ่นวายต่างๆ ให้ผู้อื่นเดือดร้อนได้ที่ออกมาวุ่นวายกันออกมาสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็เพราะความไม่มีความมากน้อยสันโดษนั่นเองมีแต่ความอยากได้มากมีความอยากไม่ว่าจะได้เท่าไหร่ก็ไม่มีคำ ว, ว่าพอ อันนี้แหละเป็นสิ่งแรกที่ควรจ ะ, จะเจริญกันคือความมากน้อยสันโดษพอมีพอกินสมมติว่าต้องกินวันละสามมือ้อถ้าหาได้เพียงสองมื้อก็กินสองมื้อไปถ้าไม่ตายก็ถือว่าก็ใช้ได้ถ้าตายก็ก็คิดว่าเป็น ถึงเวลาที่จะต้องตายไปเพราะว่าไม่ว่าจะกินสามมือ้อหรือห้ามือ้อหรือสิบมือ้อถึงเวลาที่จะต้องตายก็ตายเหมือนกันกินมื้อเดียวถึงเวลาจะต้องตายก็ตายกินห้ามือ้อถึงเวลาจะต้องตายก็ตายเหมือนกันดังนั้นความตายไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องมาเป็นเหตุที่จะทำให้ เราต้องไปทําความโลภความโกรธความหลงทําตามความโลภความโกรธความหลงไปทําผิดศีลธรรมทําผิดกฎกติกาของบ้านเมืองซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาต่อไป <c oughs> พอเรามีความมากน้อยสันโดษแล้วเราก็จะได้ ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสงสอนได้คือทำทานแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองที่เรามีเกินความจำเป็นไปได้ถ้ามีกไม่มีความมากน้อยก็จะหวงแล้วก็อยากจะได้มากๆมีพอแล้วก็ยังไม่พอมีพอเพียงต่อการดำรงชีพแล้ว แต่ก็จะไม่พอก็อยากจะได้มากขึ้นไปอีกเมื่อมีความอยากจะได้มากขึ้นไปอีกก็ต้องไปแข่งแย่งชิงดีไปแข่งขันกันไปมีปัญหาต่อกันแต่ถ้ามีความมากน้อยสันโดดถ้ามีมากเกินความจำเป็นก็จะเอาไปแบ่งปันกันแทนที่จะไปแข่งแย่งกัน กลับเอาไปแบ่งให้แก่ผู้อื่นแทนที่จะเกิดปัญหากับทําให้ผู้อื่นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ผู้ที่เขาขาดแคลนผู้ที่เขาเดือดร้อนเมื่อผู้ที่ขาดแคลนเดือดร้อนได้รับการดูแลได้รับการช่วยเหลือเขาก็จะไม่ออกมาสร้างความวุ่นวายให้แก่บ้านแก่เมืองแต่ถ้าไม่มีความมากน้อยสันโดษ ต่างคนต่างอยากจะได้มากๆได้เท่าไหร่ก็ไม่พอคนที่มีแล้วก็ออกมาสร้างความวุ่นวายคนที่ไม่พอก็ออกมาสร้างความวุ่นวายเพราะทุกคนมีความต้องการสิ่งเดียวกันก็มีการแข่งแย่งทิ้งดีมีการต่อสู้กันถ้าไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพศีลธรรมก็จะกลายเป็น สงครางขึ้นมาเป็นสังคมของเดลอาฉานไปใครมีกำลังมากกว่าก็จะมีโอกาสที่จะได้มากกว่าคนที่มีกำลังน้อยกว่าก็ต้องอดไปอันนี้เป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปถ้าสังคม ไม่เข้าหาธรรมะไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพทธเจ้าความโลภความโกรธความอยากต่างๆจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความหลงไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้รับการแก้ไขไม่ได้รับการกาจัดนั่นเองคือไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ ความสงบของใจอยู่ที่การละความโลภความอยากความโกรธต่างๆด้วยการอ ย, อยู่แบบมากน้อยสันโดษด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าไม่ได้รับข้อมูลอันนี้ก็จะหลงกับการไปหาลาบยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างไม่มีขอบไม่มีเขตเพราะความอย่างนี้ไม่มีขอบไม่มีเขตนั่นเองไม่ว่าจะได้มามากน้อยเพียงไรภายในใจก็จะมีความรู้สึกว่าไม่พออยู่ดีได้ล้านหนึ่งก็ไม่พอได้สิบล้านก็ไม่พอได้ร้อยล้านก็ไม่พอได้พันล้านหมื่นล้านก็ไม่พอจะไม่มีวันพอ เพราะความอยากโดยธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งไม่เหมือนกับน้ําทะเลมหาสมุทรถึงแม้ว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามก็ยังมีขอบมีฝั่งแต่ความโลภความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งยิ่งได้ยิ่งทําให้อยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆคนบางคนจึงมีเงิน มากกว่าที่เขาจะสามารถใช้ได้อีกร้อยต้อยชาติพันชาติแต่เขาก็ยังหยุดความอยากได้เพิ่มขึ้นไม่ได้เพราะอํานาจของความอยากนี่มันรุนแรงมันครอบงำจิตใจแล้วความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ผลิตความเครียดผลิตความ วุ่วาใจก่อเตความกระสับกระส่ายกังวลกวายให้เกิดขึ้นอยู่ภายในใจอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะมีความสุขจากมีสมบัติข้าวของเงินทองกองเท่าภูเขากับมีความทุกข์กองเท่าภูเขากดดันจิตใจอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้สึกตัวและไม่รู้จักวิธีแก้ไม่รู้ว่าเหตุที่ ทำให้ตอนเองนั้นมีแต่ความเครียดมีแต่ความวุ่นวายใจนั้นก็คือความอยากได้มากๆนี้เองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมนี้ให้เจริญความมากน้อยสันโดษไว้เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติเลยให้ต้องการเพียงในสิ่งที่ จำเป็นต่อการทำหนงชีพเท่านั้นพอมีพอแล้วก็ขอให้หยุดได้ถ้าหาด้วยเหตุด้วยผลมันก็จะหยุดได้หาเพราะว่าขาดแคลนเช่นไม่มีอาหารกินก็ต้องหาอาหารมารับประทานพอมีอาหารรับประทานแล้วก็หยุดหาได้อย่างพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้มีอัตบบริการ เป็นสมบัติประจาตนประจาตัวไว้สำหรับดูแลรักษาอัตภาพร่างกายให้มีบาดใบหนึ่งไว้สำหรับหาอาหารอาหารก็ให้หาวันละครั้งเดียวก็พอบินตาบาดตอนเช้าได้อาหารมามากน้อยก็ให้มีความยินดีให้มีความสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดถ้ามีมาก ฉันไม่หมดก็ให้ฉละให้ผู้อื่นไปไม่ให้สะสมไม่ให้เก็บเอาไว้เพราะจะกลายเป็นภาระจะกลายเป็นความทุกข์แทนที่จะเป็นความสุขจะกลายเป็นความทุกข์ไปมีบาดหนึ่งใบสําหรับเครื่องนุ่งหม่มก็ให้มีผ้าสามผืนผ้านุ่งผืนหนึ่งผ้าห่มผืนหนึ่งแล้วก็ผ้าห่มสองชั้นไว้สําหรับ ห่มกันหนาวอีกผืนหนึ่งเรียกว่าผ้าไตรจีวอนสำหรับเครื่องนุ่งห่มถ้ามีผ้าสามผืนก็อยู่ได้แล้วและการหาผ้าสามผืนนี้ก็ให้หาตามมีตามเกิดไม่ให้ไปขอจากผู้อื่นให้ไปเก็บเศษผ้าที่ถูกทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆเช่นผ้าห่อศพ ในป่าชาหรือเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามกองขยะตามข้างถนนข้างทางเดินเห็นมีเศษผ้าพอที่จะเอามามามาตัดมาเย็บมาติดมาต่อให้เป็นผ้าพื้นใหญ่ได้ก็เก็บมาสะสมไว้พอได้จำนวนพอต่อการมาตัดเย็บเป็นผ้าจีวร ผ้านุ่งผ้าห่มก็เอามาตัดเย็บถ้ามีพอแล้วก็หยุดหาถ้ามีถ้ามีครบสามผืนแล้วก็หยุดหาไม่ต้องหาแล้วถ้ายังไม่พอก็หาไปนี่แบบหาแบบมากน้อยสันโดษเป็นอย่างนี้พอมีพอต่อความจำเป็นต่อความต้องการแล้วก็ให้หยุดหา พอได้ผ้าสามผืนแล้วก็หยุดหาจะหาใหม่ก็ต่อเมื่อผ้าผืนใดผืนหนึ่งชํารุดขาดไม่สามารถที่จะซ่อมแซมไม่สามารถปะได้แล้วเพราะปะเต็มไปหมดเพราะผ้ามันเปื่อยอย่างนี้ก็ต้องหาผ้าผืนใหม่มานี่อัฐา บ, บริคานสี่ชิ้นบาทใบผ้าสามผืนประคตเอวก็เข็มขาดรัดเอว ชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าก็คือมีกรไกไว้สำหรับปรงผมชิ้นที่หกก็คือผ้ากรองน้ำที่กรองน้ำเวลาตักน้ำขึ้นมาจากในสะในบึงในบ่ออาจจะมีตัวตัวลูกน้ำก็ต้องใช้ที่กรองน้ำ เพื่อจะได้น้ํา้วนๆไม่มีตัวสัตว์เข้ามาเพราะถ้าดื่มบริโภคนะ้าที่มีตัวสัตว์ก็ถือว่าเป็นการทำปาณาติบาตเป็นการฆ่าสัตว์ก็ต้องมีที่กล่องน้าแล้วก็ต้องมีเข็มและด้ไว้สำหรับซ่อมจีวรซ่อมผ้าเวลาที่มันขาดนี่ก็รู้สึกแปดชิ้นบาทใบผ้าสามผืนก็สี่ ประคตเอวก็ห้ามีกโกนก็หกที่กลองน้ำก็เจ็ดแล้วก็แปดก็ได้กับเข็มอันนี้ก็คือสมบัติที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนาให้มีสมบัติเพียงเท่านี้ก็อยู่ได้แล้ว สำหรับที่อยู่อาศัยก็ให้หาไปตามธรรมชาติอยู่ตามโคนไม้อยู่ตา ม, ม, ตามถาม้ำตามเงื้อมผาตามเรือนร้าง mm hmm. ก็พออยู่ได้แล้วยารักษาโรคก็หายาสมุนไพรที่มีหรือถ้าไม่มียาสมุนไพรก็เดื่มน้ำปัสสาวะก็สามารถรักษาโรค ภายได้เหมือนกันนี่คือวิธีของผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงต้องมีความมากน้อยสันโดษเพราะถ้าไม่มีความมากน้อยสันโดษเดี๋ยวจะถูกความโลภความโกรธความหลงมันหลอกแทนที่จะมาบวชเพื่อมากำจัดความโลภความโกรธความหลง กับถูกความโลภความโกรธความหลงหลอกให้โลภมากขึ้นการกินอยู่ก็อย่างที่เห็นถ้าไม่ยึดแบบที่พระอริยะจะเจ้าท่านนำเนินมาก็จะเห็นอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ที่อยู่อาศัยก็หรูหรามีทุกอย่างเหมือนกับบ้านของคาวาสมี เพรื่ออำนวยความสุขความสะดวกความสบายทุกอย่างอาหารการกินก็ไม่ต้องบินทบาทก็มีคนนำอาหารมาถวายถึงกุฏิผ้าก็เป็นผ้าชนิดที่รูหรามีราคาแพงผลิตมาจากโรงงานพิเศษเพื่อให้ถวายให้แก่นักบวชผู้ทรงศีลทรงธรรม นี่ก็คือความที่ไม่ได้ยึดดักมากน้อยสันโดษก็จะถูกกิเลสย้อนสอนเอาได้โดยไม่รู้สึกตัวแทนที่จะปฏิบัติเพื่อกำจัดความโลภความโกรธความหลงกับมาปฏิบัติเพื่อรักษาความโลภความโกรธความหลงให้มีอยู่ต่อไปภายในใจของตน การปฏิบัติแบบนี้จึงมักไม่ปรากฏมักผลนิพานขึ้นมาแต่การปฏิบัติแบบมากน้อยสันโดษอย่งางพระป่าทั้งหลายปฏิบัติกันก็มักจะปรากฏมีมักผลนิพานขึ้นมาซึ่งปรากฏได้เห็นได้เวลาที่พระป่าเหล่านั้นท่านถึงแก่มรณะภาพไปอัตถิของท่านส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นพระธาตุเก่งไปหมด ส่วนอัถิของท่านที่อยู่ในบ้านในเมืองอยู่ท่ามกลางความหรูหราอยู่ท่ า, ามกลางความมั่งคั่งมั่งมีของปัจจัยสี่ก็ไม่เคยปรากฏมีข่าวว่าเวลาตายไปแล้วอัถิได้กลายเป็นพระาธาตุไปอันนี้ก็เป็นผลที่เราวัดกันได้จึงทำให้มีประชาชนส่วนหนึ่ง ที่มีจิตศรัทธาที่จะมุ่งเข้าหาแต่พระป่าจะไม่ยอมเข้าหาพระที่อยู่ในบ้านในเมืองก็เพราะเห็นความแตกต่างของการดำเนินชีวิตว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่พระบร ม, มศาสดาได้ทรงดำเนินมาและได้ทรงสั่งสอนให้ดำเนินเลย อันนี้ก็คือเรื่องของผู้ปฏิบัติที่จะดำเนินสู่มรรคผลนิพพานสู่การดับทุกข์สู่การกำจัดความโลภความโกรธความหลงความวุ่นวายต่างๆจำเป็นจะต้องยึดหลักมากน้อยสัมโดดไว้เป็นแนวทางของการปฏิบัติไม่ฉะนั้นแล้วจะถูกกเรตันหาย้อนสอนเอา ที่พักก็จะเริ่มมีเริ่มคิดว่าจะต้องมีที่พักแบบนั้นแบบนี้หรอหราอย่างนั้นอย่างนี้อาหารการกินก็จะต้องกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เสื้อผ้าอาบรอ์ก็ถึงแมาจะเป็นเสื้อผ้าของนักบวชของนักปฏิบัติก็จะต้องมีคุณภาพมีคุณลักษณะพิเศษเสื้อขาวก็จริงแต่จะต้องมี มีปักมีรวดลายอะไรไปต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสย้อนสอนโดยไม่รู้สึกตัว mm hmm. เพราะนิสัยของกิเลสมันยังไม่ตายจากใจเพียงแต่ตั้งใจว่าจะปฏิบัติกาจัดกิเลสตัณหานี้ไม่ได้หมายความว่ากิเลสตัณหามันจะตายไปในขณะที่กำลังปฏิบัติเพื่อกาจัดกิเลสตัณหา เวลานั่นกิเลสตัณหามันก็กำจัดเราเสร็จแล้วโดยมรรสเสกตัวด้วยการกำหนดเงื่อนไขอะไรต่างๆขึ้นมาหลากหลายด้วยกันจึงจำเป็นจะต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ผู้ที่มีประสบะการณ์ในการกำจัดกิเลสตัณหาผู้ที่มีมักน้อยสันโดษเป็นเป็นนิสัยจะได้รู้ว่าความมักน้อยสันโดษที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร ถ้าจะปฏิบัติตามลําพังโดยที่ไม่ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์เราคิดว่าความมากน้อยสันโดษของตนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ร้อยทั้งน้อยมันก็จะเป็นมากน้อยสันโดษของกิเลสตัณหาไปมันจะไม่เป็นมากน้อยสันโดษของพระพุทธเจ้าของธรรมะดังนั้นถ้ายังไม่รู้ว่าความมากน้อยสันโดษนี้เป็นอย่างไรขอให้ไปศึกษาดูชีวประวัติ ของภาษาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไรเสื้อผ้าผรอนของพระพุทธเจ้าในขณะที่เสด็จออกจากพระราชวังก็ยังสวมใส่เสื้อผ้าผรอนของพระราชโอรสอยู่เพราะไม่มีเสื้อผ้าของนักบวชตอนที่เสด็จออกจากวังเพื่อจะไปบวชพอเดินทางออกไปกลางทางก็ได้พบกับขอทานขอทานก็เห็นเสื้อผ้าของพระราชโอรสก็อยากได้ เพราะสวยงามก็เลยขอเปลี่ยนพระพุทธเจ้าแทนที่จะรังเกียรติพระราชโอรสเจ้าชายสิทธัตถะแทนที่จะรังเกียจกับยินดีเพราะอยากจะได้เสื้อผ้าแบบนั้นอยู่แล้วอยากจะได้เสื้อผ้าของขอทานเพื่อจะได้อยู่แบบมากน้อยสันโดษนั่นเองจึงไม่เสียดายกับเสื้อผ้าอภรของพระราชโอรสสลัได้อย่างสบายใจ เปลนแรกเปลี่นกันได้อย่างอา ง, ง่ายดายนี่คือลักษณะของผู้ปฏิบัติที่แท้จริงผู้ที่มีความมากน้อยสันโดษที่แท้จริงต้องมักน้อยจริงๆต้องสันโดษจริงๆแล้วถ้ามีความมากน้อยสันโดษแล้วทีนี้ก็จะทําให้การปฏิบัติอย่างอื่นเป็นไปได้อย่างง่ายดาย การทำทานก็จะง่ายมีอะไรมากเกินความจำเป็นก็จะไม่หวงไม่เก็บเอาไว้ไม่สะสมต้องการเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองถ้ามีเกินนั้นแล้วก็ใครอยากจะได้ก็เอาไปเลยนี่ทานก็ใจก็จะเป็นทานอยู่ตลอดเวลาเมื่อใจเป็นทานแล้วก็จะใจก็จะมีศีลตลอดเวลาเพราะผู้ที่ให้จะไม่มีความอยากที่จะไปทาร้าย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองผู้ให้คนที่ใจบุญนี้จะไม่ชอบทำบาปเมื่อไม่ชอบทำบาปแล้วการรักษาศีลจะไปยากอะไรคนที่โลภมากอยากได้มากๆต่างหากที่รักษาศีลไม่ได้เพราะอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเมื่อได้ในโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยวิธีที่ทุจริตคือ ถ้าหามาโดยการไม่ทำบาปไม่ได้ก็ต้องหามันด้วยวิธีที่ต้องทำบาปเพราะความอยากมันผักดันจิตใจมันทนไม่ได้เวลาอยากแล้วไม่ได้ดังใจก็ต้องทำบาปเพื่อให้ได้มาแต่ผู้ที่มีความมาักน้อยมีทานจะรักษาศีลได้จะไม่ชอบทำบาปแล้วเมื่อไม่ทำบาปแล้วใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะสงบ ใจจะไม่มีแผลเวอะหวะ่ะเหมือนวัวสังหลังหวะ่ะไม่เจ็บใจจะไม่เจ็บใจจะสบายไม่หวาดกลัวกับผลที่ไม่ดีจะตามมาเพราะไม่ได้ทำเหตุที่ไม่ดีเอาไว้ผู้ที่ทำเหตุที่ไม่ดีผู้ที่ทำบาปนี้จะมีความวุ่นวายใจในความหวาดวิตกกังวลหวาดกลัวกับวิบากที่ตนได้ทำไว้กับกรรมที่ได้ทำไว้ว่าจะ ส่งผลให้กับตนต้องไปรับผลไปรับเคราะห์แต่ถ้าไม่ได้ทำบาปแล้วก็จะไม่เดือดร้อนไม่มีแผลเวลามีมแมลงวันมาเกาะก็จะไม่เจ็บแต่ถ้ามีแผลมีเวลามีมแมลงมีสัตว์อะไรมามามากัดมาแทะก็จะเกิดอาการเจ็บขึ้นมาทันทีผู้ที่มีศีลจึงมีใจที่สงบ มีความใจมีใจที่เย็นที่สบายก็จะเอื้อต่อการบําเพ็ญสมถะภาวนาทำใจให้สงบนิ่งอย่างเต็มที่พอพอพอมีศีลแล้วก็จะเจริญสติได้ทำใจให้สงบได้สตินี้ จำเป็นที่จะต้องเจริญอย่างต่อเนื่องสติมันจะไม่เกิดขึ้นมาเองมันจำเป็นจะต้องอปลูกฝังจำเป็นจะต้องหมั่นเจริญอยู่เรื่อยๆก็คือการระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือให้ระลึกอยู่กับร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกิริยาบท อย่าให้ใจไปอยู่กับเรื่องอื่นถ้าบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธไปแต่ก็สามารถทําอะไรไปกับควบคู่ไปกับ ก, บการกระทําของร่างกายได้เพียงแต่ใช้พุทโธดึงใจให้อยู่กับ ก, บการกระทําของร่างกายนั่นเองเช่นเวลากำลังอาบน้ำใจก็จะแวบไปคิดถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้คิดถึงคนนั่นคนนี้ไม่อยู่กับการอาบน้า ต้องใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธดึงกลับเข้ามาดึงให้มาอยู่กับการอาบน้ําให้ได้การบริกรรมพุทโธนี้จะเป็นการเสริมให้การเจริญกายกตาสติคือการเข้าดูร่างกายนี้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ลอยไปลอยมาถ้าจใจจดจ่ออยู่กับร่างกายใจก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบัน เมื่อใจตั้งอยู่ในปัจจุบันใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ใจจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ถ้าอยู่ในอดีตหรืออยู่ในอนาคตใจต้องกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่พุทโธหรือเวลานั่งก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราจะใช้กําหนดให้เป็นเครื่องผูกใจให้อยู่ในปัจจุบันก็ได้ เช่นการส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจะใช้โครงโครงกระดูกก็ได้จะใช้อาการอันใดที่สามารถที่จะผูกใจไว้ให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันได้ก็ใช้ไปใช้ลมหายใจก็ได้ใช้อวัยวะชิ้นใดชิ้นหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้หรือว่าจะใช้พุโทโธหนึ่งเอาไว้ก็ได้ ขอให้ดึงไว้เพื่อให้ใจอยู่ในปัจจุบันเพราะถ้าใจอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องแล้วใจไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรไม่ไม่ได้ทำอะไรร่างกายนั่งอยู่เฉยเฉยใจก็จะต้องดิ่งเข้าสู่ความสงบโดยถ่ายเดียวเราจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันด้วยการเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหว ของร่างกายอย่างต่อเนื่องแล้วเมื่อมีเวลาว่างจากภารกิจการงานก็ให้นั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธต่อไปหรือเฝ้าดูลมต่อไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้เพื่อดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้นานให้ต่อเนื่องเมื่อใจอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวใจก็จะไหลเข้าสู่ความสงบเอง ความสงบนี้เราไปคาดไม่ได้ไปอยากไม่ได้ความสงบจะเกิดขึ้นต่อเมื่อใจตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นไม่ไปคิดถึงเรื่องนี้ให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นก็คือลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมพุทโธพุทโธ ท, ท่านั้นแล้วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเอง พอใจเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะว่างจะเย็นจะสบายจะเป็นกลางเรียกว่าเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชั่งไม่กลัวไม่หลงไม่โลภไม่โกรธใจจะมีความนิ่งเฉยไม่หิวไม่โหยไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นใจจะมีความสุขอย่างมากเพียงแต่ว่าจะไม่สามารถตั้งอยู่ใน ความสงบนี้ได้อย่างต่ออย่างถาวรตลอดไปเพราะใจยังมีร่างกายที่จะต้องออกมารับผิดชอบอยู่เวลาร่างกายถึงเวลาร่างกายก็จะแสดงอาการสะกิดดึงใจออกมาเช่นต้องถึงเวลาดื่มหรถึงเวลารับประทานหรือถึงเวลาขับถ่ายใจก็จะต้องออกจากความสง บ, บมา เวลาออกจากความสงบถ้าไม่รักษาด้วยปัญญาเดี๋ยวความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธินี้ก็จะจางหายไปหมดสิ่งที่จะทําลายความสงบนี้ก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนั่นเองแล้วถ้าต้องการที่จะรักษาความสงบก็ต้องตั้งระงับหรือต้องป้องกันไม่ให้ความโลภความโกรธ ความอยากต่างๆปรากฏขึ้นมาการที่จะทําให้ไม่ให้เกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความโกรธก็ต้องใช้ปัญญาไปทําลายความหลงที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความโกรธขึ้นมาเช่นเวลาออกจากสมาธิมาแล้วพออยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งๆ ท, งที่ไม่จําเป็นจะต้องมีอย่างนี้แสดงว่าหลงแล้ว เด้ออกมาแล้วก็อยากจะดื่มเครื่องดื่มที่เคยโปรดที่เคยชอบดื่มคือแทนที่จะดื่มน้ําเปล่าก็อยากจะดื่มกาแฟขึ้นมาน้ําเปล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นสิ่งจําเป็นต่อร่างกายไม่ถือว่าเป็นความอยากเป็นความจําเป็นต้องดื่มแต่กาแฟนี้มันไม่ได้เป็นความจําเป็นร่างกายไม่จําเป็นจะต้องมีกาแฟ ร่างกายจําเป็นจะต้องมีน้ำดืม่มถ้าต้องการดื่มกาแฟก็แสดงว่าหลงแล้วอยากจะได้ความสุขจากรสชาติของกาแฟนั่นเองก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้ความหลงว่านี่ไม่ใช่เป็นความสุขนะนี่มันเป็นความทุกข์นะเพราะมันจะทำให้ติดกาแฟเวลาไม่ได้ดื่มกาแฟเวลานั้นก็จะทุกข์เวลาอยากดื่มแล้วไม่ดื่มก็จะทุกข์ แต่ถ้าเราอยากจะดื่มกาแฟแล้วเรามีปัญญามาสอนใจว่าอย่าดื่มอย่าทำตามความอยากเดี๋ยวความอยากก็จะจางหายไปเต่อไปความอยากดื่มกาแฟก็จะไม่มีก็จะดื่มน้ำเปล่าได้อย่างสบายเพราะน้ำเปล่านี้มันเป็นความต้องการของร่างกายส่วนกาแฟ น, นี้มันเป็นความต้องการของกิเลสตัณหาการปฏิบัติของเ ร, เราเราต้องการทาลายกิเลสตัณหาเพราะนั้นเราต้อง หยุดทำลายความอยากที่จะดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่มที่มีรสชาติติดรสติดชาติติดรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองก็คือเป็นกามตันหาหรือเป็นกามฉันทะนี้เองซึ่งเป็นตัวที่จะผูกใจให้ติดอยู่กับควา ม, วามทุกข์ที่จะต้องคอยหารูปเสียงกลิ่นรสมาบำลงบำเลอมาเสกอยู่เรื่อย เวลาใดที่หาไม่ได้เวลานั้นก็เป็นเวลาที่เศร้าส้อยงอยเหงาว้าเหวเวลาอยากจะอยู่ใกล้คนนั้นคนนี้แล้วไม่สามารถอยู่ใกล้เขาได้ก็จะเกิดความว้าเหวขึ้นมาเกิดความเศร้าส้อยงอยเหงาขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาสอนใจว่าให้ฝืนไว้ไม่ต้องไปทําตามมันเดี๋ยวอีกไม่นานความอยากนั้นมันจะหายไป พอความอยากนั้นหายไปแล้วความว้าเหวมันก็จะหายไปความทุกข์มันก็จะหายไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีความอยากที่จะอยู่ใกล้คนนั้นคนนี้อยู่ใกล้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือการแก้ความหลงต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้ทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ต้องสอนใจว่าอย่าไปอยากเพราะความอยากนี้จะ ผูกใจให้ติดอยู่กับความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะจะต้องอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่หยุดดื่มกาแฟทุกครั้งที่อยากดื่มกาแฟมันก็จะมีความอยากใหม่ตามมาทุกครั้งไปดื่มแก้วนี้แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานมันก็จะอยากดื่มอีกแก้วหนึง่งแต่ถ้าถืนมันครั้งนี้อยากจะดืม่มก็ไม่ดื่มมันยามรู้สึกหงดหงิดลำคาญใจไปสักระยะหนึ่ง เดี๋ยวความอยากมันอ่อนกำลังลงไปความหงุดหงิดนำคาญใจมันก็จะอ่อนกำลังลงไปเองแล้วต่อไปมันก็จะหมดกำลังไปในที่สุดนี่คือการใช้ปัญญาที่จะมารักษาความสงบที่ได้จากสมาธิให้คงอยู่ต่อไปทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาสอนให้ไม่ให้ไปทาตามความอยาก พอใจไม่ทำตามความอยากแล้วความอยากก็จะหมดกำลังไปเองเพราะว่าเมื่ออยากแล้วไม่ได้ก็ไม่รู้จะอยากไปทำไมนี่คือวิธีที่จะทำใจให้สงบอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในสมาธิต้องใช้ปัญญาสอนใจเพื่อไม่ให้หลงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเดิมอยากรับประทานอยากดูอยากฟัง สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเป็นเรื่องของความอยากที่จะมาสร้างความวุ่นวายใจสร้างความทุกข์ให้กับใจทำลายความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้ให้หมดไปได้ผู้ปฏิบัติจึงไม่ออกไปวุ่นวายกับใครใครจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขา ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือหยุดใจไม่ให้ออกไปวุ่นวายกับใครให้อยู่ข้างในให้ตั้งอยู่ในความสงบการออกไปข้างนอกก็แสดงว่าถูกความอยากดึงออกไปแล้วอยากไปวุ่นวายกับเขาแล้วอยากจะไปจัดการเรื่องราวต่างๆเพราะคิดว่าจะจัดการได้แต่ไม่รู้ความจริงว่าถ้าจัดการได้ก็เป็นการจัดการชั่วคราว เดี๋ยวมันก็โผลกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเรื่องวุ่นวายเรื่องใหม่มันก็โผลขึ้นมาใหม่แล้วบางทีก็จัดการไม่ได้พอจัดการไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่แล้วอาจจะไปทำสิ่งที่เลวร้ายเสียหายเพื่อที่จะพยายามจะจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นให้ได้แทนที่จะสงบเลยกับวุ่นวายไปใหญ่ไม่ใช่เป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่ถูกต้อง วิธีที่แก้ปัญหาที่ถูกต้องของสังคมก็คือทุกคนที่อยู่ในสังคมต้องกลับมาแก้ปัญหาที่ใจของตนเองรังรับความวุ่นวายใจของตนเอ ง, งระงับความโลภความโกรธความโง่ความอยากต่างๆภายในใจของตนเองให้หมดไปตั้งตนอยู่ในความมากน้อยสันโดษถ้ารักษาใจให้สงบให้มีความสุขได้ทุกคนก็จะไม่ต้องออกมาเรียกร้อง ขออะไรกันไม่ต้องออกมาแก่งแย่งชิงดีกันไม่ต้องออกมาสร้างความวุ่นวายให้แก่บ้านเมืองกันนี่คือการแก้ปัญหาที่ตรงประเด็นที่ตรงจุดของปัญหาก็คือต้องแก้ที่ใจของแต่ละคนเพราะใจของแต่ละคนนี้มันวุ่นวายที่ออกไปนี้ใจของคนทุกคนที่ออกไปนี้เป็นใจที่ไม่สงบทั้งนั้น เป็นใจที่ถูกความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆครอบงำใจอยู่จึงต้องออกไปถ้าใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากแล้วไม่รู้จะออกไปหาอะไรออกไปหาลูกกระสุนออกไปทำไมออกไปหาความทุกข์ออกไปหาทำไมที่ปลอดภยัยที่สบายอยู่ที่บ้านทำไมไม่อยู่กันนี่แหละคือคำตอบว่าทำไม บ้านเมืองจึงไม่สงบทำไมบ้านเมืองจึงวุ่นวายก็เพราะว่าจิตใจของประชาชนนั้นไม่สงบไม่ไม่มักน้อยสันโดษ <c oughs> มีแต่ความโลภความโกรธความหลงมีแต่ความอยากนั่นเองจึง <c oughs> ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ใบ <c oughs> พินิษพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อที่จะสร้างความสงบให้แกจ่จิตใจของท่านและสร้างความสงบให้แก่ บ, บ้านเมืองที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาลิวาหาปุราตริปุเรนติสากะลัง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 มาเตภวตวันตราโยสุขีทีคาโยโกผะวะอภิวาธนาสีฤทสะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมาวาทาติอายุวันโอสุขังภาลัง ใครยังไม่ได้หนังสือซีดีก็เชิญมารับได้ใครอยากจะถวายของก็เข้ามาได้ใครอยากจะถามปัญหาก็เข้ามาถามได้ใครมีปัญหาหรือใครมีแสดงความคิดเห็นอะไรไหมมีนักน้อยสันโดษนี่ มีความสุขมากกว่ามีลาบย่นสรรเสริญความง้อยสันโดษนี่ทำให้ใจมีความสุขใจไม่วุ่นวายใจใครจะมีมากมีน้อยโลกจะมีอะไรมากมายผลิตออกมาก็จะไม่ได้มาทำให้ใจต้องวุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆนนเพราะมีความพอใจกับสถานภาพของตน แต่ถ้าไม่มีความมากน้อยสันโดษแล้วต่อให้มีกองเท่าภูเขาก็ยังไม่มีความสุขเพราะมันไม่มีความพอความพอนี้อยู่ที่ความมากน้อยสันโดษความไม่พออยู่ที่ความอยากอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พออย่าไปดูอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆที่เขาผลิตออกมาหลอกล่อใจเรา สมัยก่อนเขาไม่มีกันเขาก็าอยู่กันอย่างมีความสุขได้แล้วทำไมเราจะต้องมีกับเขาด้วยขอพยายามฝึกความมากน้อยสันโดษไว้แล้วจะมีความสุขถ้าไม่มีความมากน้อยสันโดษมีแต่ความโลภความอยากได้แล้ว จาให้ได้มามากน้อยเพียงไหรก็จะไม่มีความสุขความสุขอยู่ตรงที่คําว่าพอการที่จะพอได้ก็ต้องมักน้อยสันโดษการที่จะมีมักน้อยสันโดษได้ก็ต้องภาวนารังกําจัดความโลภความโกรธความหลงนั่นเองรังกาจัดความโลภความหลงแล้วความมักน้อยสันโดษมันก็จะ เป็นไปโดยธรรมชาติเพราะเมื่อใจมันอิ่มแล้วมันก็ไม่ต้องการอะไรเพราะมันรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะให้ความอิ่มใจได้นอกจากความสงบเท่านั้นไม่มีอะไรจะให้ความสุขที่แท้จริงได้นอกจากความสงบเท่านั้นสิ่งต่างๆกลับแทนกลับจะมาทำลายความสงบที่มีอยู่ในใจไปเสียเปล่า เพราะเมื่อได้อะไรมาแล้วก็จะเกิดความรักความหวงเกิดความวิตกกังวลกลัวจะสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปแล้วเวลาสูญเสียไปก็ก็สูญก็เท่าโศกเสียใจทุกใจวุ่นวายใจตามมาใจที่ฉลาดแล้วจึงไม่อยากจะได้อะไรเมื่อไม่อยากได้อะไรใจก็จะพอใจอิ่มจะมีความสุข เพ้นต้องต่อต้านความอยากทุกรูปแบบหรือความอยากในการความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากที่ความอยากมากน้อยสันโดษนี่ดีความอยากแบบนี้ดีอยากมีความมากน้อยสันโดษอยากภาวนาอยากทำบุญให้ทานอยากรักษาศีนี่เป็นความอยากที่เป็นประโยชน์ เป็นความอยากที่จะนำไปสู่ความไม่มีความอยากแต่ความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่จะนำไปสู่ความอยากที่ไม่มีสิ้นสุดจะมีแต่ความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นต้องรู้จักแยกแยะว่ามีความอยากที่ดีและความอยากที่ไม่ดี ที่ให้ตัดก็คือความอยากที่ไม่ดีที่ให้เสริมที่ให้เจริญก็คือความอยากที่ดีอยากมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาทาทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาภาวนาอย่างนี้เรียกว่าเป็นความอยากที่ดีอยากจะมาอยู่แบบมากน้อยสันโดษกินมือ้ออดมือ้อกินมือ้อกินวันละมือ้อหรือกินวันหนึ่งแล้วก็อดสักสามวันอย่างนี้ อนี้เรียกว่าเป็นความอยากที่ดีเพราะเป็นความอยากที่จะไปหยุดความความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะต้องบังคับตัวเองให้ปฏิบัติตามที่ผู้เจ้าทรงสั่งสอนนะถ้าจะปล่อยให้เป็นไปาตามอารมณ์แล้วก็คงจะต้องรอไปหลายแสนชาติหลายภพชาติ กว่าที่จะมีอารมณ์ที่อยากจะปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเพราะในใจนี้มีแต่อารมณ์ที่อยากจะปฏิบัติสวนทางกับคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นถ้าอยากจะไปในทิศทางของพ่อพระพุทธเจ้าอยากได้รับผลอย่างที่พพระพุทธเจ้าได้ทรงรับผลก็ต้องบังคับใจให้ดำเนินไปในทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดาเนินไป ถ้าไม่บังคับแล้วก็จะไม่มีวันที่จะไปได้อย่างวันนี้ก็ดองบังคับมาให้มาที่วัดถ้าปล่อยให้ไปตามความสบายใจพอใจก็อาจจะมาไม่ถึงวัดขอให้เรามองวัดเหมือนกับเรามองโรงพยาบาลขอให้มองใจเราเหมือนกับมองร่างกาย เวลาใจไม่สบายนี้เราต้องเข้าวัดทันทีเวลาร่างกายไม่สบายเราต้องเข้าโรงพยาบาลทันทีถ้าไม่เข้าแล้วมันก็จะไม่หายถ้าเข้าแล้วรักษาไปรักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หายใจของวเราทุกคนนี่ยังมีความไม่สบายใจกันอยู่เมื่อเรายังมีความไม่สบายใจทำไมเราไม่ไปรักษาใจกัน กลับไปหายาพิษมาเพิ่มใส่ใจให้มันไม่สบายใจมากขึ้นด้วยการทําตามความโลภทําตามความอยากมากขึ้นทําตามความโกรธมากขึ้นไปเรื่อยๆใจก็เลยหาความสุขไม่เจอไม่มีความสุขถึงแม้ว่าจะได้สิ่งต่างๆที่โลภอยากได้มากองเท่าภูเขาก็ตามแต่สิ่งที่ได้มานี้มันไม่สามารถทําให้ใจมีความสุขได้เลย มีแต่จะกลับทำให้ใจมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดังน้นต้องบังคับใจให้เข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าจะทำลายความไม่สบายใจที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปแล้วถึงจะออกจากโรงพยาบาลของใจได้ เมื่อปฏิบัติจนหลุดพ้นแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปไม่ต้องทําทานก็ได้ไม่ต้องรักษาศีลก็ได้ไม่ต้องภาวนาก็ได้แต่การไม่รักษาศีลก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปทําบาปาะคนที่ไม่มีความอยากแล้วก็ไม่รู้จะไปทําบาเพื่ออะไรการรักษาศีลก็เลยไม่จําเป็นจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้เหมือนคนที่เวลาแขนหัก เลือขาหักหมอต้องใส่เฝือกนี่เวลาแขนหักขา ห, หักกระดูกมันยังไม่เชื่อมต่อนี่ก็ต้องอาศัยเฝือกไว้คอยประคับประคองแต่พอหลังจากที่หายแล้วกระดูกมันเชื่อมต่อติดกันแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องใส่เฝือกอีกต่อไปศีลก็เป็นเหมือนเฟือกทานก็เป็นเหมือนเฝือกการภาวนา น, นี่ก็เป็นเหมือนเฝือกพี่ที่จะรักษาใจให้หายจาก ความโลภความโกรธความหลงพอไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ไม่ต้องทำทานก็ได้ไม่ต้องรักษาศีลก็ได้แต่ต้องเข้าใจว่าไม่รักษาศีล น, นี่ไม่ได้ให้ไปไม่ได้มากรับไปทำบาปลงั่นแต่ว่าไม่ต้องมาปาณาติปาตามาขอศีลห้าขอศีลแปดมาคอยแสดงอาบัตปงอาบัตว่าได้ที่ปงอาบัติก็เพราะไปทำบาปแล้วไปทาผิดศีลแล้ว แต่ผู้ที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็จะไม่มีวันที่จะไปทำผิดศีลแต่อย่างใดการกระทาทุกอีเลบทของการเคลื่อนไหวนี้จะไม่ไปขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามจึงเหมือนเมื่อไม่ไม่มีศีลไม่ต้องมีศีลศีลเป็นเหมือนตัวบังคับคนที่อยู่นอกลูนก อ, น ก, รอนกรอยนอกร่องนอกรอยนี้ต้องใช้ศีลดึงกลับเข้ามาให้อยู่ในร่องในอย แต่คนที่อยู่ในร่องในรอยแล้วก็ไม่ต้องใช้สิ่งดึงมกลับเข้ามาเพราะมันอยู่ในร่องของสิ่งรัฐธรรมแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าอย่างนี้นพอบรรลุพอปฏิบัติเสร็จแล้วก็ไม่ต้องรักษาสิ่หน้าทีนี้จะกินเหล้า ก, กินได้แล้วสิเขาไม่กินหรอกแต่ถึงแม้กินเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่ได้เขาก็กินไปเป็นกิริยาไปเท่นั้นใจไม่ได้ไปมีความดูดดื่มหรือมีความ ยุดติดยินดีกับการดื่มเลยการภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่ต้องสมถะภาวนาไม่ต้องวิปัสนาไม่ต้องพิจารณาอาสุภะอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันไม่มีความอยากไม่มีความโลภการถึงเรียกว่างานในพรหมาจารย์ได้เสร็จสินน้นตรงแล้ววุตสิตังบ ร, รมจารยา์หรอยางเนย งานในทางพระพุทธศาสนานี้มีวันสิ้นสุดลงแต่งานในทางโลกนี้ไม่มีวันสิ้นสุดต่อให้ทำไปถึงอายุแปดสิบเก้าสิบถ้ายังมีกาลังทำอยู่ก็จะต้องทำต่อไปเพราะความอยากมันจะผลักดันให้ทำอยู่เรื่อยๆอยากให้มีมากขึ้นอยากจะรักษาส่วนที่มีอยู่ให้มีอยู่ต่อไปไม่ให้น้อยลงไปมันก็จะบังคับให้ใจต้องทำงานไปเรื่อยๆ ทำไปจนกระทั่งร่างกายไม่สามารถทำตามคำสั่งของใจได้ันถึงจะต้องหยุดหยุดด้วยความจำใจไม่ได้หยุดด้วยความพอใจแต่อย่างใดแต่การปฏิบัตินี้เมื่อไม่มีเมื่อไม่มีความอยากแล้วมันก็จะหยุดปฏิบัติไปด้วยความพอใจเพราะเมื่อมันพอแล้วมันก็ไม่รู้จะไปปฏิบัติหาอะไรแล้วที่ต้องปฏิบัติเพราะว่ามันยังไม่พอมันยังอยากอ ย, กอยู่นั่นเอง แต่พอมันพอแล้วมันไม่อยากแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วอยู่เฉยๆได้แล้วสบายแล้วอยู่เป็นสุขแล้วดงั้นขอให้เราพยายามทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้เข้าสู่ทางธรรมเถิดอย่าไปทางโลกเลยไปทางโลกก็ไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความวุ่นวายที่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาวุ่นวายใหม่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ออกจากทางนี้ไปถ้าไม่เข้าสู่ทางของพระพุทธเจ้าคือทางแห่งการทาทานรักษาศีลภาวนามันก็จะพาเราไปสู่การแสวงหาลาบยศจันลรเสรินหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด แล้วก็จะต้องประสบกับความทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่ามันจะต้องมีการสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปเวลาอยากได้สิ่งที่อยากได้แล้วไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าไปในทางของพระพุทธเจ้าทานสิงภาวนาแล้วก็จะพาไปสู่การไม่อยากได้อะไรก็จะไม่นำสู่การกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป ทางของพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นทางที่วิเศษทางของนักปราชญ์ทางของคนฉลาดทางของโลกนี้เป็นทางของคนโง่ทางของทางแห่งความทุกข์มีสองทางเมื่อก่อนเราไม่รู้เราเดินไปทางเดียวกันตอนนี้เราได้มาเจอป้ายบอกทางที่บอกให้เรารู้ว่ามีมีทางไปได้สองทางทางไปสู่ความสุข กับทางไปสู่ความทุกข์พวกเราต้องการความสุขกันแต่ทําไมเรายังเลือกเดินไปในทางสู่ความทุกข์กันอยู่อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคงจะอ่านป้ายไม่ถูกมัง้งอ่านคําว่าสุขเป็นว่าทุกข์มัง้งเห็นคําว่าทุกข์ว่าเป็นว่าสุขมัง้งก็หลังนี้ก็เลยยังเดินเข้าหาสุขหาลาบยศสรรเสริญสุขอยู่เพราะคิดว่าลาบยศสรรเสริญสุขเป็นสุขเลยมันไม่สุข มันสุกเฉพาะเวลาได้เท่านั้นเองเวลาเสียเรามันไม่สุกนะร้องห่มร้องไห้กันจะเป็นจะตายกันทย่าง <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> พยายามศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆจะได้คอยอแก้ความหลงที่มันคอยทำงานหลอกเราอยู่เรื่อยๆพอเราไม่ได้ฟังธรรมปั๊บนี่ความหลงมันจะเข้ามากระซิบเลย ไอ้นั่นก็นดีไอ้นี่ก็ดีมีของรุ่นใหม่ออกมาแล้วกระเป๋ารุ่นใหม่ออกมาแล้วภาพยนตร์เรื่องใหม่ออกมาแล้วหนังอะไรใหม่ๆออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดแตอถ้าฟังเทศฟังทางแล้วก็จะรู้ว่ามันเหมือนกันหมดมันก็เรื่องของรูปเสียงกลิ่นรดเหมือนกันหมดเรื่องของน้ำเน่าเหมือนกันหมดละครก็น้ำเน่าทั้งเรื่เรื่องของอิจฉ้าลิษยาเรื่องของการแก่งแย่งชิงดีกัน ดูไปแล้วก็เท่านั้นดูแล้วก็จบไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ทำให้ใจสงบทำให้ใจหมดความอยากแต่อย่างใดแต่กลับทำให้เกิดความอยากจะดูเรื่องใหม่ต่อมาเพราะในท้ายเรื่องเขาก็จะมีหนังตัวอย่างของเรื่องใหม่ให้ดูแล้วอ่าอ่าดี สบาขึ้นเยอะไม่ต้องไปเดินลอนทำงานหาเงินหาทองให้เหนื่อยอยากความสุขที่แท้จริงไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องใช้เงินอ <c oughs> เอาเลยก็ <c oughs> ามาหยิบได้เลย <c oughs> มีอะไรเหรอ <c oughs> okay, ก็็ <c oughs> กค่าพอสมคครแก่เวลาเนะวันนี้ <c oughs> อ้าวเด้อ จะกลับก็กลับนะใครจะอยู่ก็อยู่ต่อก็ได้ยังไม่ไล่เดี๋ยวสักครู่ก็ได้<ม><ม>ถ้ารู้จะ ง, งานก็กดีใช้ไปได้เยอะเลยแล้วมี 1, 2, 3, สี่แผ่นนึงแผ่นหนึ่งสองสามสี่เอาไปได้ทุกแผ่นเลยแล้วมีารใ้เขที่ น, าา น, นับจั้ากับ้าา Oh, คือที่ปฏิทินนี้เขาเขาใช้ใช้กันนับแบบเฉลีย่ยคือทุกสองเดือนทุกทุกห้าสิบเก้าวันนี้จะมีวันเพ็ญสองครั้งห้าสิบเก้านี่มันมีวันเพ็ญสองครั้งเกิดวันเพ็ญวันเพ็ญกับวันดับนี่มันความจริงถ้าคํานวณตามโหราศาสตร์ไอทําตามตา ม, ตามดาราศาสตร์นี้มันจะ จะไม่เป็นค่าเฉลีย่ยมันจะเป็นค่าสั้นบ้างยาวบ้างเพราะว่ารอบออวงโครจรของดวงจันทร์รอบโลกนี้มันไม่เป็นวงไขมันไม่เป็นมันไม่เป็นวงกลมแต่มันเป็นวงไขเคยเห็นไข่ไหมไข่มันไม่กลมไยบางส่วนมันก็สั้นบางส่วนมันก็ยาวา อ, อ พระป่าก็ต้องนับตามตามที่เขาคำนวณทางดาราศาสตร์ซึ่งวันวันดับของดวงจันทร์นี้มักจะช้ากว่าวันเฉลี่ยหนึ่งวันเช่นที่วันวันวันวันแรมสิบสี่ค่ำหรือสิบห้าค่ำนี้บางทีถ้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้านี่ยังจะเห็นว่าพระจันทร์นี้ยังไม่ดับยังไม่หมดยังเหลืออยู่นิดหนึ่ง มันจะหมดในวันแรมหนึ่งวันขึ้นหนึ่งค่ำหรือแรมวันขึ้นหนึ่งค่ำแต่ น, นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องสาคัญอะไรเป็นเรื่องของออเรื่องของการคานวณวันวันเพนวันดับของดวงจันทร์แบบแบบเฉลี่ยกับแบบตามความเป็นจริงความเฉลี่ยนี้มันจะไม่ตรงกับความเป็นจริง วันที่ดับนี่บางทีมันยังไม่ดับเต็มที่มันยังเหลืออีกนิดหนึ่งมันต้องไปวันขึ้นหนึ่งค่ำมันถึงจะดับเต็มที่มันก็ดูยากอ่ะเพราะบางทีมันมีฝนฟ้าอากาศเมืดมัวมันจะไปดูยังไงเขาก็มีมีปฏิทินของของ ของพระที่ใช้ใช้ระบบคำนวณด้วยระบบของดาราศาสตร์แต่ถ้าใช้ระบบที่คำนวณด้วยระดับ ร, ระบบเฉลีย่ยก็ทุกสองเดือนนี่พระจารยร์จะดับสองครั้งไอ้ทุกห้าสิบเก้าวันไม่ไม่ไม่สามสิบวันไงเขาเลยต้องแบ่งเป็นสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วก็สิบสี่ขึ้นสิบห้าข้ามสิบห้าข้ามสิบห้าข้าม สิบห้าค่ำแล้วก็สิบสี่ค่ำไอ้สิบสี่คาำเนี่ยบางทีมันช้าบ้างมันมันมันมันเลทบ้างเพราะว่าไอ้เวลาที่มันหมุนรอบโลกนี่มันไม่กลมเด็กเหมือนวงกลมมันเหมือนกับเป็นวงไข่ดังนั้นทางโค้งบางส่วนมันจะเร็วจะช้ากว่าวงวงกลมไงวงกลมมันจะสม่ําเสมอแต่ไอ้นี่ของวงวงไข่เนี่ยบางส่วนก็จะช้าเพราะมันยาว บางส่วนมันจะเร็วตรงที่มันตรงหัวท้ายของไข่เนี่ยมันจะมันจะเร็วมันจะเปลี่ยนองศาเร็วกว่าวงกลมวงกลมเนี่ยมันจะเปลี่ยนองศาเท่ากันหมดมันมันจะโคจรแบบเท่ากันหมดั่นก็ขอให้รู้ว่ามันมันมันเหมือนกันตรงที่ว่าทุกสองเดือนมันก็มีดวงจันทร์มีวันเพ็ญสองครั้งวันวันดับสองครั้ง พงแต่ว่าเวลาคำนวณของวันดับนี่ของของของการระบบเฉลี่ยนี่มันจะไม่ตรงกับความจริงมันต้องคำนวณแบบดาราศาสตร์ก็มีสูตรของดาราศาสตร์ก็มีสูตรของเขาสูตรคณิตศาสตร์เนี่ยก็ใช้สูตรคณิตศาสต ร, ตรส์ที่เกี่ยวกับวงกลมวงไข่เนี่ยมันก็เลยวันพราของของของสายธรรมยุทธ์หนึ่งบางทีก็จะ ชากับ ว, วันพักของมหานิกายหนึ่งวันประาจาย์ครับ<ม>ในหมวดทานนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เคยหรือไม่ไม่ค่อยได้ทำบุญใหญ่ใหญ่อย่างที่เขาทำกันเช่นสร้างโบสสร้างสราราเงี้ยแต่ว่าเราเป็นเน้นทำทานตั้งแต่ทานทั่วไปจนถึง ธรรมทานหรืออภัยทานแต่ให้เฉพาะเท่าที่จําเป็นจริงๆหรือเห็นว่าสมควรเนี่ยเหมาะสมไหมครับอาจารย์หรือว่าจําเป็นจะต้องทาบุญใหญ่ด้วยคือเหตุที่เราทํานี่มันคือสิ่งที่ทําให้เราทํานี่มันไม่สําคัญจะไปสร้างโบสถ์ไป อ, อสร้างเจดีย์ไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องสําคัญก็คือให้เรา เสียสละเงินทองที่เรามีมากเกินความจําเป็นไปส่วนนี้ต่างหากที่เราต้องถือเป็นหลักของการทําทานก็คือไม่ให้เรายึดติดกับสมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีมากเกินไปเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับมันเวลาที่เราสูญเสียมันไปนินส่วนที่ควรจะเอาไปให้ใครนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งนั้นได้ทั้งนั้นจะให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนให้ขอทานให้วัดให้อะไร อันนี้มันก็มีผลแตกต่างกันแต่มันเป็นประโยชน์ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราประโยชน์ที่เกี่ยวกับเราก็าคือว่าเราได้ตัดความตนีได้ตัดความหวงได้ตัดความโลภอยากจะได้เงินทองมากๆออกไปจากใจเราอันนี้คือเป้าหมายของการทำทานของเราส่วนของเราแต่ส่วนของประโยชน์ที่จะได้รับจากผู้ของผู้อื่นนี่มันก็มันมีทำลงทลงช่วยโรงพยาบาลมันก็จะได้รับประโยชน์อย่างหนึ่ง ช่วยโรงเรียนก็ได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งช่วยทางพระาศาสนาก็จะได้รับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เราจะอยากจะได้เกิดประโยชน์อย่างไหนเราก็เลือกไปทำอย่างนั้นเท่านั้นเองแต่เป้าหมายหลักของเราเราต้องการให้ประโยชน์ถ้าประโยชน์กับตัวเราก็คือเราต้องการทำลายความตนีความหวงความยึดติดในความโลภอยากได้เงินทองเนี่ยเพราะบางทีเราเป็นคนมีบุญมันมาอยู่เรื่อย มามาม่รู้จะเก็บไว้ทําไมก็ต้องเอาไปทําทานเนี่ยตอนนั้นเองคืออย่าให้มันมากลายเป็นภาระต้องมาคอยดูแลรักษาแล้วต้องมาเสียดายเวลาที่ต้องจากมันไปถ้าเราจะให้มันด้วยความยินดีจากกมันด้วยความยินดีเราจะจากอย่างมีความสุขอย่างวันนี้ตั้งใจมาทําทานเสียเงินไปนี้ไม่มีความทุกข์ใจเลยแต่ถ้าคนที่ไม่ตั้งไม่ตั้งใจจะเสียเงินวันนี้พอดีขโมยขึ้นบ้านไปเนี่ยโอ้โห เป็นเดือดเป็นแค้นกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่รู้กี่วันเพราะความหวงความยึดติดในทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองคือสรุปแล้วทําเพื่อดับความทุกข์เกี่ยวกับความความผูกพันติดอยู่กับเงินทองนี้เองถ้าเราไม่มีความผูกพันติดอยู่กับเงินทองแล้วเวลาที่มันจากเราไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลามันอยู่กับเรามันเราก็ไม่เดือดร้อนเท่านั้นเองส่วนยาวไปทํา สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ทำบุญใหญ่ทำบุญเล็กอะไรก็สุดแท้แต่อันนี้มันไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญสำหรับเราสำหรับเราขอให้เราใจกว้างไม่หวงไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพร้อมที่จะเป็นขอทานอยู่แบบขอทานได้ตลอดเวลาอันนั้นแหละคือเป้าหมายของเราถ้าเราอยู่แบบขอทานได้เราก็จะได้บวชได้นม ถ้าเรายังอยู่ต้องอยู่แบบเศรษฐีอยู่ถ้าบวชก็ยังมาก็ยังจะมาบวชอยู่แบบเศรษฐีอยู่นั่นแหละมันก็จะออกไปปฏิบัติอยู่ตามป่าตามเขาไม่ได้มันก็จะติดอยู่ตามบ้านตามเมืองเห็นมะเพราะยังไม่มีฐานใจยังไม่เป็นฐานใจยังไม่พร้อมที่จะอยู่แบบมักน้อยสันโดษนั่นเองก็ใจได้ยัง มีอีกคำถามครับพระอาจารย์การตั้งใจทำอะไรยกตัวอย่างเช่นการทิ้งขยะเราอยู่ที่ไหนเราก็จะไม่ทิ้งแม้ไม่มีใครเห็นเราก็ไม่ทิ้งแม้ที่ตรงนั้นจะมีขยะทิ้งลงพื้นเต็มไปหมดหรือแม้แตเ่เปลือกลูกอมชิ้นเล็กเล็กเราก็ไม่ทิ้งหากยังไม่มีที่ทิ้งก็จะเก็บใส่กระเป๋ากางเกงใส่รถไปก่อนเพื่อหาที่ทิ้งขยะ เพราะถือว่าหากเราไม่ทำเพราะคนอื่นๆเขาก็ทิ้งกันแล้วต่อไปใครจะทำแต่บางครั้งก็เผือตัวเช่นชิ้นเล็กๆพอทิ้งก็จะเก็บทันทีเพราะมีสติรู้ตัวทันลักษณะความตั้งใจเช่นนี้ได้อันิสองข้อไหนในภาพปฏิบัติก็ได้ความแน่วแน่ตามความตั้งใจต่อไปถ้าเราตั้งใจจะรักษาสี่งเราก็จะได้รักษาได้ ถ้าเราตั้งใจจะภาวนาเราก็จะได้ภาวนาได้ก็คือผู้พูดง่ายๆก็คือมีสัจจะอธิษฐานนั่นเองอธิษฐานก็คือความตั้งใจจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดสัจจะก็คือความแน่วแน่ต่อความตั้งใจนั้นเมื่อตั้งใจแล้วก็จะไม่บิดพลียวจะไม่เปลี่ยนใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ตามถ้าไม่สุดวิสัยก็จะทํา ตามที่ตั้งใจไว้เช่นถ้าจะไม่ทิ้งขยะก็จะไม่ทิ้งขยะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันคือเป็นการปลูกฝังนิ ส, สัยคือสัจจะความตั้งใจอธิษฐานความตั้งใจสัจจะความจริงใจผู้ที่จะปฏิบัติทำขั้นสูงได้ก็จาเป็นจะต้องมีอธิษฐานสัจจะ ตั้งแต่ไม่ต้องไม่ไม่ใช่ว่าทำขั้นสูงทำทุกขั้นเลยตั้งแต่ทานศีลภาวนาขึ้นไปถ้ามีความตั้งใจมีสัจจะแล้วก็จะสามารถทำในสิ่งที่คนรจะทำได้แต่อย่าไปยึดติดกับการเรื่องขยะจนกระทั่งเกิดเป็น อ, อ, อารมณ์ขึ้นมาเท่านั้นเอง เช่นเราตั้งใจจะไม่ทิ้งพอเห็นคนอื่นเขาทิ้งก็เลยเกิดความหงุดหงิด mm hmm. เกิดความโกรธขึ้นมาอันนี้ก็จะผิดจุดประสงค์แล้วจุดประสงค์ก็คือเราต้องการสอนตัวเราเองให้เป็นคนมีระเบียบ ม, มีวินัยมีความซื่อตรงมีสัจจะมีความตั้งใจแต่คนอื่นเขาจะโลเลอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาอย่าไปถือสา ต้องมองว่ามันเป็นอนัตตาไปเราอยากจะรักษาให้บ้านเมืองส ะ, สะอาดแต่คนอื่นเขาไม่รักษาเขาทิ้งขยะกันเกลื่นไปหมดอันนี้เราก็อยากไปเกิดความหมงุดหงิดตำคาใจขึ้นมาสแสดงว่าเรายึดติดเรามีความอยากให้มันสะอาดอยากให้ทุกคนรักษาความสะอาดกันแต่พอเขาไม่รักษาเราก็เกิดความหมงุดหงิดเกิดความตำคาใจขึ้นมา อันนี้ก็กลายเป็นกิเลสขึ้นมาแล้วเพราะก็เป็นความอยากเราต้องใช้ปัญญาก็คือพิจารณาว่าเป็นอนัตตาไปเรื่องของคนอื่นเราไปอยากให้เขาทําตามความอยากของเราไม่ได้เขาจะรักษาความสะอาดหรือไม่รักษาความสะอาดเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้เราก็ต้องยอมรับความจริงไป เราก็ทำในส่วนของเราไปแต่อย่ามาเสียเวลากำมัวแต่มาเก็บขยะือกระทั่งไม่ไปภาวนาเพาะงานที่มันสำคัญงานที่มีคนประโยชน์มันมีอยู่มากกว่าการที่จะมาดูแลรักษาบ้านเมืองให้มันสะอาดแต่ถ้าว่าเรายังไม่สามารถไปทำเนียอย่างอื่นที่ดีกว่าได้เราอยากจะทำ เก็บขยะไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ถือว่าเป็นการกระทำความดีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่พอเท่านั้นเองต้องทำความดีระดับที่สูงกว่านี้คือต้องไปทาทานต้องไปรักษาศีลต้องไปภาวนางั้นอย่าให้เราถูกงานอย่างอื่นหลอกให้เราไปติดอยู่กับมันเช่นบางคนก็ติดอยู่กับการทำทานไม่ยอมไปรักษาศีลไม่ยอมไปภาวนาเลยอย่างนี้ ต้องขยับขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นขยับเพื่อให้ไปถึงขั้นสูงสุดคือการภาวนาให้ได้พระอาจารย์ครับนักปฏิบัติเนี่ยทานศีลภาวนาต้องควบคู่กันไปหรือว่าต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งทีละขั้นตอนเนี่ยพระอาจารย์มันก็เหมือนกินข้าวอ่ะคุณก็ต้องกินข้าวกินกับกินอะไรไปมันก็ควบคู่กันไปแต่มันไม่ได้ ทำพร้อมกันเข้าไปคุณไม่ไดเอายัดทุทกๆอย่างเข้าไปในปากทีเดียวเข้าใจไหมคุณอยากจะกินข้าวคุณก็กินข้าวอยากจะกินกับคุณก็กิททนกับวันไห น, นคุณอยากจะทําทานคุณก็ทําทานวันไหนคุณอยากจะรักษาศีลก็รักษาศีลวันไห น, น, นอยากจะภาวนาก็ภาวนาแต่ความจริงมันทําได้ทุกวันพร้อมๆกันเพนียงแต่ต่างเวลากันเช้าก็ใส่บาตศีลก็รักษามันไปทั้งวันภาวนาก็เวลาไหนว่างก็ นั่งหลับตาพุโทโธพุธโทโธไปตลอดเวลาทั้งวันก็จะเริญนสติควบคู่กับการทํางานไปเ น, นี่คือการปฏิบัติมันไปพร้อมๆกันแต่ว่าพร้อมๆกันก็ได้จะว่าต่างวาะกันก็ได้มันแต่มันต้องไปอยู่ในแนวเดียวกันในระนาบเดียวกันอาจารย์ครับถ้าเราจะนับจิตตัวเองเนี่ยเวลาหน่คนที่เราไม่สอบกัน ก็เมื่อกี้พูดๆไปไงมองว่าเป็นอนัตตาเไยมองว่าเป็นเหมือนฝนตกดาดออกเหมือนเสียงนกนี่เราไปสั่งให้มันหยุดร้องได้หรเปล่าแล้วมนก็มองอย่างนั้นไปเท่านเองเขาจะทําอะไรเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้นกมันจะร้องหรือไม่ร้องเราก็ไปสั่งมันไม่ได้ก็มองให้เหมือนว่าเป็นเป็นเหมือนนกไปเห็นใครก็แค่ว่าเขาเป็นเหมือนนกเขาจะทําอะไรเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ หรือฝนฟ้าอากาศก็ได้มอว่าเป็นอนัตตาอนัตตก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาติไปลมพัดนี่ก็เป็นอนัตตาฟ้าร้องก็เป็นอนัตตาฝนตกก็เป็นอนัตตาคนจะดีคนจะชั่วก็เป็นอนัตตาเป็นเรื่องของเขาเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้แต่เราสั่งใจเราได้ห้ามใจเราได้ขาให้เรามาห้ามตัวนี้ หยุดใจเราอย่าให้ไปวุ่นกับเขาเท่านั้นเองแล้วเราก็จะสบายใจพะเหมือนกับเวลาที่เราเจอเจอคนหรืเจอสิ่งตา่างๆเมื่อเราปรุงแต่งแต่ ง, ตงยาวๆก็ให้มันสันส้นลงสั้นลงแต่พูดโทรไงต้องบอกให้พูดโทรทั้งวันเนี้พูดไปก่อนถ้าเจอแล้วถ้าไม่ชอบก็จะปุงยาวไปเลยเออตอนนี้มีสติเพราะมีสติปุ๊บหยุดหยุดใจแต่ข้าไม่ใจพลังมากก็ ต้องใช้ปัญญาถ้าต้องถ้าถ้าข่ามมันตายต้องใช้ปัญญาต้องเห็นว่าเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เอออีกต่างหนึ่งเขาเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วคเนี่ยเขาชอบชอบลาชอบออเอาเปรียบเพื่อนทางานด้วยกันมันเลยถ้าเขาชอบเล่นทำานาันนี้เนยเขาละกันเรากลุณทํารมาก็เลยรู้สึกว่าเราโดนเรเปรียกอยู่ตลอดเดี๋ยวเราก็ห้ามบางทีเราก็ห้ามได้บางทีก็ห้ามไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องอยู่เพรเราต้องทํามาคิดยังไครับอือก็พยายามปี่ปีดเข้ามา คือเราต้องมีสติปัญญาพอที่จะแก้มันได้ก็เลยต้องพยายามหยุดหยุดหยุดไว้ก่อนอย่าไปคิดถึงเขามันก็มันก็จะสบายใจเพราะใจเรามันจะขุนกันมาเราร่วมมันขุนแต่เราเราไม่สามารถที่จะหยุดมันได้ก็้องใช้พุทธโธหยุดไปก่อนครับถ้าจะมีปัญญาก็จะไม่ต้องใช้พุทธโธบอกว่าอันนี้ก็เอาวุทธิ์วิขึ้นเดือนนะคะปล่อยวางได้ถ้าปล่อยวางได้ด้วยปัญญามันก็จะไม่ มันก็จะไม่เดือดร้อนต่อไปเห็นเขาก็จะเฉยเฉยแต่ถ้าหยุดด้วยพุโทโธพอเห็นเขาเราไม่ได้พุโทโธมันก็จะขึ้นมาใหม่ทันทนีก็ต้องกลับไปหาพุโทโธใหม่แต่ถ้ามีปัญญาปั๊ต่อไปมันจะสบายเห็นเขาแล้วก็จะเฉยบางวันก็เฉยบางวันก็ขุ่น <laughs> บางวันก็ปล่อยวางบางวันก็ไม่ปล่อยถ้าไม่ปล่อยก็ต้องพยายามปล่อยตัวเองอยู่นี่คืออาจจะร้อนอยู่ตัวเองคนเดียว ก็อยู่ได้เยอะแลครับช่วงนี้ก็พิจารณาอันนี้หน้าตาไปเรื่อยอสัพเพธรรมานั ต, ตาทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นห น, น้าตาหมดเพียงแต่ว่ามันหลอกเราคือบางบางเวลาเราก็สั่งมันได้แล้วก็เลยคิดว่าสั่งมันได้ตลอดแต่บางเวลาเราก็สั่งมันไม่ได้เราต้องคิดว่าในที่สุดเราก็ต้องสั่งมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งมันได้เราอย่าไป ห, หลงคิดว่าจะสั่งมันได้ไปตลอดเวลาใช้ปั ก็อย่าไปอยากสัอย่างมันก็จบอย่าไปอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีปัญหาปัญหาก็กลับมาที่ความอยากของเราอยากให้เขาไม่เอาล้อาเปรียบนี้ก็เป็นปัญหาแล้วก็<ม>วเขาจะเอาลเอาเปรียบ<ช>คุณ<ม>จะไปอยากให้เขาไม่เอาล้อาเปียบได้ยังไงใช่แบบไหมใน้ในจอนี่คับพระอาจารย์ถ้าโกรธใครเนี่ยแล้วอา่ามัดจะคิดว่าโกรธไปเนี่ยแล้วเขาจะรู้ไหม มีแต่เราอะที่รู้ร้อนอยู่ที่ตัวเราเองอดังนั้นอย่ากโกรธดีกว่าทุกทุกกับตัวเองในขณะที่เขาไม่รู้เรื่องว่าเราโกรธก็นั่นแหละความโกรธมันอยู่ในใจเราไม่ไดีที่คนที่เราโกรธคนโกรธก็คนที่เราโกรธก็ไม่เดือดร้อนหรอกเขาไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปบางทีถ้าเราไม่สแสดงอาการออกมาแต่ความโกรธนี่มันเป็นเหมือนไฟเผาใจเราอยู่เหมือนกับเอาค้อ ม, มาทุบศรีรษะเราเงี้ เราไม่รู้ว่าเรากำลังทุบศีรษะเราด้วยความโกรธเหมือนคนเมาเหล้าเงี้ยเมาเหล้าแล้วก็เอาของมาตีหัวตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองปวดหัวเพราะอะไรเพราะความหลงมันทําให้เรามองไม่เห็นโทษของความโกรธแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจา้าแล้วรู้ว่าความโกรธนี่เป็นตัวที่มาอาทําลายตัวเราเองต่อไปเวลาโกรธเราก็จะได้หยุดมันได้ ไอ้เราจะมาทําลายตัวเราทาําไมเราจะเอาไฟมาเผาใจาเราทําไมเวลาโกรดนี่ใครร้อนใจใครกินไม่ได้นอนไม่หลับก็คือเรานั่นเองคนที่ถูกเราโกรดนี่เขานอนสบายคลอกคลอกอาปัญญาที่มันจะสรางกิเลสได้จู่มันต้องอาศัยกําลังของสมาธิใช่ถ้ามันเป็นปัญญาที่ไม่มีกําลังสมาธิมันเป็นสัญญา มันก็ไม่สาม า, ารถคาดเกิดได้จริงเราอย่างนี้เราต้องทําสมาธิจน ม, มีกําลังเตือนตี่ก่อนหรือว่าเราก็ใช้สัญญาตรงนั้นไปด้วยนะครับก็ทั้งสองอย่างและสัญญาก็คอยเตือนใจเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมแล้วก็สร้างสมาธิขึ้นมาให้มีกําลังที่จะตัดมันได้ก็ทั้งสลับกันทำเวลาทําสมาธิก็ไม่ต้องคิดถึงบางทางปัญญา พอออกจากสมาธิมาก็คิดถึงทางปัญญาอยู่เรื่อยๆว่าอย่าโกรธอย่าโกรธนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ต้องกลับไปทําสมาธิเพิ่มให้มันมีกําลังมากขึ้นไปเรื่อยๆพอมันมีกําลังมากแล้วพอออกมาบอกอย่าโกรธปั๊บมันก็ไม่โกรธปั๊บนี่แสดงว่าอ่าใช้ได้แล้วทีนี้ไม่โกรธแล้วแสดงว่ามีกําลังพอแล้วเหมือนแบบที่บุงตาที่สอนว่าซึ่งจะเป็น สัญญาตัวเติมแต่ขอให้แก้ในปัจจุบันใช่ทุกอย่างต้องเป็นปัจจุบันอย่าเอาอาดีตมาเป็นใช่นะต้องแก้มันในปัจจุบันนี้เหมือนข้าวเนะี่ยข้าวที่กินไปแล้วเมื่อวานนี้เอามากินวันนี้ไม่ได้อยากจะกินข้าววันนี้ก็ต้องหุงใหม่ถึงแม้จะเป็นข้าวหม้อเดียวกันข้าวถุงเดียวกันแต่มันก็ต้องหุงขึ้นมาใหม่มันต้องพิจารณาขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันทันด่วน มาแล้วนะพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอรวันศุกร์ที่สิบสี่มีการแสดงธรรมนะครับบนเขานะครับอมัะ มันมาคัดนะครับมันวาเลนไทน์นะครับถ้าไม่มีคนขิ้นมาก็ไม่ได้แสดงนะแสดงเพราะคิดว่าคงจะมีคนขิ้นมาดูโมงับเวลาเดิมไงปิ๊งปิ๊ง